การทำบุญทำทานไม่เป็นการศูญเปล่าเป็นการแลกเปลี่ยนเงนินเงินสกุลบาทที่เราใช้กันอยู่นี่เราเอามาเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบุญเงินสกุลบุญนี้เอาไปใช้ที่ไหนเอาไปใช้ในโลกทิพย์โลกที่พวกเรา จะไปกันหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพวกเราจะต้องออกเดินทางจากร่างกายนี้ไปอยู่ในโลกทิพย์ในโลกทิพย์นี้เขาใช้เงินสกุลบุญเหมือนกับเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องเปลี่ยนเงินบาท ไปเป็นเงินสกุลของประเทศที่เราจะไปอยู่ไปประเทศจีนก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินหยวนไปประเทศญี่ปุ่นก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินเยนแต่ละประเทศเขามีเงินของเขาเราจะเอาเงินของเราไปใช้ในประเทศนั้นไม่ได้ต้องเอาอไปแลกเปลี่ยน ให้เป็นเงินของสกุลของประเภทของประเทศนั้นเราถึงจะมีเงินใช้เงินมีเงินใช้จ่ายสิ่งต่างๆได้การทําบุญทําทานนี้ก็เหมือนกันเป็นการมาแลกเปลี่ยนเงินสกุลที่เราใช้กันอยู่ในโลกนี้ให้ไปเป็นเงินสกุลที่เราจะใช้ ในโลกทิพย์ต่อไปถ้าเราไม่เตรียมเปลี่ยนเงินไว้เวลาตายไปเราจะไม่มีเงินติดตัวไปจะไปอยู่แบบขอทานแทนที่จะไปอยู่แบบเศรษฐี <c oughs> ก็ต้องไปอยู่แบบขอทานเพราะว่าไม่ได้เอาเงินติดตัวไป เหมือนสมายนี้เวลาบางประเทศเขามีสงครามกลางเมืองกันคนต้องอบพยพออกนอกประเทศพวกที่เขามีเงินต่างประเทศเขาก็ไปอยู่ที่สบายพวกที่ไม่มีเงินก็ต้องไปอยู่ตามค่ายอพยพต่างๆเพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวเปลี่ยนเงิน ให้เป็นเงินของที่เขาจะไปใช้ที่ต่างประเทศได้นี่แหละคือเรื่องของการทำบุญทำทานไม่ได้เป็นการสิวน์เปล่าเป็นการเปลี่ยนเงินสกุลเวลามีบุญติดตัวไปเวลาเราไปอยู่ในโลกที่ ดวงวิญญาณของพวกเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขนี้เราเรียกว่าเทวดามีแบ่งเป็นชั้นๆมีหลายชั้นด้วยกันมีถึงหกชั้นเทวดาขึ้นอยู่กับความสุขของแต่ละชั้นความสุขชั้นที่หนึ่ง ก็น้อยกว่าความสุขชั้นที่สองความสุขชั้นที่สองก็น้อยกว่าชั้นที่สามตามลําดับไปจนถึงหกชั้นถ้ามีบุญมากก็จะมีความสุขมากก็จะอยู่สวรรค์ที่ชั้นชั้นที่สูงถ้าทําบุญน้อยมีบุญติดตัวไปน้อย ก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นที่ต่ำนะสวรรค์ชั้นเทพนี่มีอยู่หกชั้นด้วยกันผู้ที่ต้องการที่จะไปอยู่ในสวรรค์ทั้งหกชั้นนี้นอกจากการที่จะต้องทำบุญเพื่อเปลี่ยนเงินตราจากสกุลบาทนี้ให้ไปเป็นสกุลบุญแล้วยังจําเป็นที่จะต้อง ทางเดินสู่ที่ต่ำคือทางที่จะพาให้เราไปติดคุกติดตารางกันนะในโลกทิพนี้ก็มีคุกตารางด้วยเหมือนกันเหมือนคุกตารางที่เรามีอยู่บนโลกนี้การที่เราจะไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้เราก็ต้องไม่ไปติดคุกติดตาราง ถ้าเราติดคุกติดตารางเราก็จะไม่สามารถไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆได้ถึงแม้จะมีบุญทําบุญไว้แต่ถ้าเราทำบาปไว้มากก็ทำบุญเราก็ต้องไปใช้บาปก่อนไปติดคุกติดตารางก่อนการทำบาปก็ไม่สูญเปล่าเหมือนกัน บางคนคิดว่าทำบาปแล้วตายแล้วก็ศูนย์ไม่ศูนย์บาปก็มีที่ต้องไปใช้บาปบุญก็มีที่ไปรับบุญเพราะว่าผู้ที่ไปรับบุญรับบาปไม่ใช่ร่างกายเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายใจผู้รู้ผู้คิด ที่มาได้ร่างกายก็ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายไปแต่ความจริงร่างกายนี้เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ผู้รู้ผู้คิดเอามาใช้พาไปไหนมาไหนเป็นเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็หเหมือนคนขี่มา้าผู้รู้ผู้คิด จิตใจนี้เหมือนคนขี่มา้าส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนมา้าคนขี่มา้าขี่มา้าให้ม้าพาไปไหนมาไหนพอเวลาม้าตายไปคนขี่ม้าไม่ได้ตายไปกับมา้าคนขี่ม้าก็ต้องไปเดินไปอันนี้ก็เหมือนกันใจผู้รู้ผู้คิด ผู้มาได้ร่างกายเป็นเหมือนมาพาจิตใจให้ไปไหนมาไหนจิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพาไปไหนมาไหนกันวันนี้ผู้รู้ผู้คิดสั่งให้ร่างกายมาวัดกันก็เลยบังคับให้ร่างกายออกเดินทางสั่งร่างกายให้ออกเดินทาง ให้ขึ jas, mind, ้นรถนั่งรถมาขับรถมาตามท้องถนนต่างๆจนมาถึงที่นี่ได้ก็เพราะว่ามีผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้สั่งการถ้าไม่มีผู้รู้ผู้คิดนั่งกายก็จะไม่เคลื่อนไหวเช่นนั่งกายของคนที่ตายไปเวลาไม่หายใจแล้วมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนั่งกาย พอผู้รู้ผู้คิดไม่ได้ติดต่อกับร่างกายนี้แล้วไม่สามารถสั่งให้ร่างกายขึ้ืนไปไหนมาไหนได้ร่างกายก็จะอยู่ตรงนั้นถ้าจะเคลื่อนก็ต้องมีคนอื่นมาเคลื่อนร่างกายไปเยคนตายไม่ได้ตายในโรงใช่ไหมตายในันเตียงกันอตายข้างถนนพอตายแล้วก็ต้องมีคนมาขนย้าย ร่างกายที่ตายไปแล้วไปเข้าโรงอีกทีหนึ่งล้วจะเอาไปเผาหรือเอาไปฝังก็แล้วแต่ความเชื่อบางศาสนาก็เชื่อว่าต้องฝังบางศาสนาก็เชื่อว่าต้องเผาก็นําเอาไปทํากำจัดร่างกายเพราะว่าถ้าปล่อยให้อยู่ที่สาธารณะก็จะไปสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่นได้เพราะร่างกายจะเน่าเหม็นแล้วจะอยู่ในสภาพที่ไม่น่าดูนี่คือร่างกายไม่ใช่ผู้รู้ผู้คิดร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ทำบุญหรือทำบาปผู้ที่ทำบุญหรือทำบาปนี่คือผู้ผรู้ผู้คิดและผู้ที่รับผลบุญผลบาป ก็คือผู้รู้ผู้คิดนี้อย่างวันนี้เราสั่งให้ร่างกายพาเรามาที่นี่กันแล้วเราก็มาทำบุญทำทานกันผู้ที่สั่งและผู้ที่ทำนี้ก็คือละก็คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองเป็นเหมือน ปืนหรือมีดอย่างนี้เวลาเอาปืนหรือเอามีดไปฆ่าคนนี้ตำรวจเขาไม่จับเอาปืนเอามีดไปติดคุกติดตารางเขาเอาคนที่ใช้มีดใช้ปืนฆ่าคนอื่นนี้ไปติดคุกติดตารางฉันใดร่างกายก็เป็นเหมือนมีดหรือเหมือนปืนหรือเหมือนเครื่องมือที่ทำประโยชน์แลอทาโทษ วันนี้เร่างกายมาทําประโยชน์เอามาทําบุญมาขนข้าวขนของมาขนเงินทองมาถวายให้กับวัดกับวาให้เป็นให้ใช้ประโยชน์ร่างกายก็เป็นเพียงเหมือนเครื่องมือเหมือนกับรถยนต์ที่เราใช้ขับมาพาร่างกายให้พามาที่นี่ให้มาทําประโยชน์ ร่างกายไม่ได้รับรางวัลจากการขับรถจากการขนข้าวขนของขนเงินขนทองมาขนคนมาที่นี่แต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือผู้สั่งให้ร่างกายขับรถให้พารถมาที่นี่ทั้งร่างกายทั้งรถยนต์นี้ไม่ได้รับประโยชน์จากการทำบุญทำทานผู้ที่ได้รับประโยชน์คือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่สั่งให้ น่างกายมาทำบุญประโยชน์ที่ได้รับในขณะที่ทำบุญคืออะไรก็คือความสุขนี่ความสุขก็คือความสุขใจเวลาทำบุญแล้วจะรู้สึกสุขใจสบายใจอันนั้นแหละเรียกว่าบุญเรียกว่าเรากำลังเปลี่ยนเงินสกุลบาทมาให้เป็นเงินสกุลบุญ เรารู้ทันทีว่าตอนนี้เรามีบุญนะเรามีความสุขใจที่ได้จากการทาบุญเนี่ยผู้ที่ทำและผู้ที่รับผลบุญคือผู้รู้ผู้คิดที่เวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจแต่พอเวลาแยกออกจากร่างกายผู้รู้ผู้คิดที่เรียกว่าจิตใจก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น เป็นผู้เป็นวิญญาณเป็นดวงวิญญาณอันนี้ก็เหมือนผู้หญิงที่ก่อนเวลาไม่ได้แต่งงานเราก็เรียกว่านางสาวพอแต่งงานมาอยู่กับสามีก็เรียกว่านางเวลาหย่ากันแล้วกลับไปเป็นนางสาวเป่ะเป็นไหมหือยังเป็นนางอยู่เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเอง ผู้รู้ผู้คิดก็เปลี่ยนชื่อเวลาแต่งงานกับร่างกายก็เรียกว่าจิตใจเวลายากับร่างกายแยกกันอยู่คนละที่อยู่คนละทิศ ค, คนละทางร่างกายไปอยู่ในเมนอยู่ในหลุมศพใจก็ไปอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยตที่ใจไปอยู่ในโลกทิพย์ก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณ ถ้ามีบุญติดตัวไปก็เป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขไปเรียกเป็นพวกเศรษฐีบุญพวกเศรษฐีบุญก็เรียกว่าเทวดาเศรษฐีก็มีอยู่หกระดับเหมือนเมืองไทยเราก็มีเศรษฐีระดับล้านระดับสิบล้านระดับร้อยล้านระดับพันล้านระดับหมื่นล้านเพราะว่ามีเงินมากน้อยต่างกัน พวกดวงวิญญาณที่มีบุญมากน้อยต่างกันก็เป็นเศรษฐีต่างกันตามกําลังตามปริมาณของบุญที่ได้ทํากันนะพวกที่ทําบุญน้อยก็เป็นเศรษฐีชั้นต่ำํำชั้นหนึ่งล้านพวกที่มีบุญมากกับชั้นสิบล้านชั้นยี่สิบล้านมีหกมีหกชั้นด้วยกันนี่คือดวงวิญญาณที่ ได้ทำบุญไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขได้นี้ต้องมีบุญมากกว่าบาปนะเพราะถ้าบาปมันมีมากกว่าบุญบุญยังไม่สามารถที่จะดึงใจให้ไปเป็นเศรษฐีได้เพราะจะต้องไปติดคุก ก, ก่อนเหมือนพวกเศรษฐีบางคนถูกตำรวจจับไปติดคุกติดตารางก่อน ถึงแม้จะเป็นเศรษฐีก็ต้องไปอยู่ในคุกเพราะว่าไปทำผิดแต่พอพ้นโทษแล้วเขาก็จะปล่อยออกมาก็จะให้ไปอยู่กลับไปอยู่เป็นเศรษฐีต่อไปได้ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อันนี้ก็เหมือนกันนอกจากการทำบุญแล้วยังต้องไม่ทำบาปด้วย แล้วถ้าทำบาปก็อยากให้มันมากกว่าบุญก็แล้วกันอให้บุญมันมากกว่าเพราะเวลาที่ดวงวิญญาณออกจากร่างกายนี้ไปบุญกับบาปจะเป็นผู้ที่จะมาดึงดวงวิญญาณไปถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงดวงวิญญาณไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆตาม ปริมาณของบุญที่ได้ทำไว้ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์ก่อนในโลกทิพย์ก็มีตารางอยู่สระสี่ตารางด้วยกันเรียกว่าอบายสี่ไปติดตารางของสัตว์เดรัจฉานไปติดตารางของเปรตติดตารางของอสุรกายติดตารางของนรก อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทำบาปมากบาปน้อยทำบาปด้วยสาเหตุอันใดเนีถ้าทำบาปด้วยความหลงก็ไปติดตารางของสั์เดลฉ า, านทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปติดตารางของเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปติดตารางของอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท ก็ไปติดตารางของนาลกเนี่ยนี่คือที่เป็นตารางในโลกทิ่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วดวงวิญญาณนี้จะไปติดคุกติดตารางสี่แห่งขึ้นอยู่กับบาปที่ทำว่าทำด้วยเหตุผลอันใดทำด้วยความหลงความไม่รู้ก็ไปติดตารางของพวกเดรัฉาน พรพวกเดรัจฉานเขาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปนี่ยไม่รู้ว่าทําบาปแล้วจะต้องติดคุกติดตารางเขาก็เขาเลยไม่กลัวเขาเลยกล้าทําเพราะเขาต้องทําเพราะว่าเขาจะต้องเอาชีวิตอยู่รอดเนี่ยว่าถ้าไม่ถ้าไม่ทําบาปก็จะอดตายเนี่ยพวกสัตว์นี่เขาต้องกินกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อย เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของการอยู่รอดเราไม่สนใจว่าจะบาปหรือไม่บาปไม่รู้ว่าบาปทําบาปแล้วจะไปเป็นอะไรทําบุญแล้วจะไปเป็นอะไรรู้ว่าตอนนี้ต้องกินหิวแล้วก็ต้องกินถ้าต้องกินด้วยการทําบาปก็ต้องทําบาปไปคนบางคนก็แบบนี้คนบางคนก็บอกว่าต้องทํามาหากินถ้าไม่ทำมาหากินก็ ไม่มีอะไรจะกินก็เลยไปเลือกอาชีพต่างๆพวกที่ไม่เชื่อบาปก็ไปก็ไม่กลัวบาปถ้าต้องทำอาชีพทำบาปก็ยินดีก็จะทำพวกที่ไปทำอาชีพฆ่าสัตว์ฆ่าชีวิตต่างๆไม่ว่าจะฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าปูฆ่าปลาหรือแม้แต่ฆ่ามนุษย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นบาป ตกใจนนี้ก็เป็นพวกที่ไปติดคุกเพราะทำบาปเพราะไม่รู้ว่ามีผลบาปตามมาทำบาปเพราะจำเป็นต้องทำและกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่เอาผิดเนี่ย เม็นไหมตำรวจไปฆ่าโจรผู้ร้ายนี้ไม่ผิดนะาหารไปฆ่าฆ่าศึกศัตรูไม่ผิดเพชฌฆาตฆ่านักโทษไม่ผิดนะแต่กฎแห่งกรรมนี่ยังถือว่าผิดอยู่ยังเป็นการฆ่าอยู่แม้แต่ฆ่าตัวตายก็ผิดกฎหมายก็ไม่จับคนฆ่าตัวตายไปติดคุกติดตารางนะแต่กฎแห่งกรรมนยังถือว่าผิดอยู่ยังเป็นฆ่าการฆ่าอยู่ แม้แต่จะเป็นการฆ่าร่างกายของตนเองก็เป็นการฆ่าเหมือนกันก็ถือว่าเป็นบาปนะัฉะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปรับผลบาปหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วอย่าทำบาปนะะวิธีที่จะช่วยให้เราไม่ทำบาปก็คือเราอย่าไปเสพอบายามุก เพราะอบายามุกนี้จะสนับสนุนให้เราทำบาปได้ง่ายเช่นเดิมโุราแล้วพอมึนเมาแล้วก็เกิดความบ้าบิ่นขึ้นมานึกอยากจะฆ่าใครก็ฆ่าได้ง่ายกว่าตอนที่ไม่เมาหรือนึกอยากจะทำร้ายใครจะทำอะไรให้เสียหายก็ทำได้ง่าย ยันอย่าไปดื่มสรายาเมาให้เกิดอาการมึนเมาจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็อาจจะไปทำร้ายผู้อื่นได้เล่นการพนันก็จะต้องสูญเสียเงินทองอมเมื่อเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปทำบาปไปหาเงินมาด้วยวิธีทำบาป เพราะถ้าเล่นการพนันเป็นอาชีพก็จะไม่ไปทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยวิธีอื่นการเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวก็เป็นอบายามุกอย่างการเที่ยวก็มีแต่ค่าใช้จ่ายไม่มีไรายได้เดี๋ยวงินทองก็ไม่พอใช้ก็ต้องไปหามาโดยวิธีทาบาปความเกลียดข้านก็เป็นอบายามุก คนเกียดค้านก็ไม่ชอบไปหาทางานทำการไปหาไรายได้ชอบเที่ยวชอบเล่นการพนันชอบเดิมสุรายาเมาเลยก็จะไม่มีรายได้จ ะ, จะหาะไรายได้แบบทำบาปฉะนั้นถ้าไม่เสพประบายามุกก็จะไม่มีเหตุที่จะมาบีบคั้นให้ไปทำบาปถ้าทำมาหากินมีสัมมาชีพ ทำงานที่สุดจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายก็จะมีรายได้มาจุนเจือการดำรงชีพไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปแต่อย่างใดนอกจากว่าเกิดความโลภขึ้นมาอยากล่ำอยากรวยอยากรวยแบบผิดปกติอย่างเขามีกฎหมายลงโทษคนที่ล่ำรวยผิดปกติ คำว่าร่ำรวยผิดปกติก็คือร่ำรวยแบบช่อโกงนั่นเองคนที่มีเงินเดือนสมมติเดือนละหมื่นแต่กับมีเงินเป็นร้อยล้านนี่เขาเริ่มสงสัยแล้วว่าอ น, นี้มันรวยได้อย่างไรเพราะเงินเดือนมีแค่เดือนละหมื่นแล้วหลายเงินที่ได้มาไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนเขาก็ต้องกล่าวหาแล้วว่าร่ำรวยผิดปกติ สแสดงว่าต้องไปทําบาปด้วยความโลภอย่างใดอย่างหนึ่งช่อโกงหลอกลวงเอาเพชรปลอมมาขายเป็นเพชรจริงเงี้ยเอาทองปลอมมาขายเป็นทองจริงทํานองนี้โกหกหลอกลวงก็จะได้กําไรเยอะได้เงินเยอะหรือถ้าอยู่ในหน้าที่การงานที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แล้วได้ ได้ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินที่มากกว่าเงินเดือนหลายร้อยเท่าอันนี้ก็แสดงว่าทำบาปทำบาปด้วยความโลภเนี่ยโลกที่ทำบาปด้วยความโลภดวงวิญญาณจะหิวโหวยเพราะว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้เครือก็อยากจะได้สองได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านมันจะอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ต่อให้ได้มากได้น้อยมันก็ยังหิวอยู่นั่นจะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยดวงวิญญาณที่หิวโหวยเราก็เรียกว่าเปรตเห็นถ้าไม่อยากเป็นเปรตอย่าไปทำบาปด้วยความโลภทำหมากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเยินดีตามมีตามเกิดได้มากได้น้อยก็ให้มันได้มาโดยสุจริต ถ้าทำมาค้าขายแล้วสินค้าขายดีร่ลำรวยขึ้นมาอย่างนี้ไม่เป็นเปรตจะเป็นเปรตก็ต่อเมื่อเอาสินค้าปลอมมาขายหลอกคนว่าเป็นสินค้าจริงอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นเปรตเพราะว่าทำบาปด้วยด้วยความโลภแต่ถ้ามีความโลภแต่แต่ทำด้วยความสุดจริญไม่ไม่บาปคนเราทุกคนก็ต้องมีความโลภ ก, กัน หาเงินมาด้วยความโลภที่ไม่ที่ไม่ผิดไม่เป็นบาปนี้ก็ไม่เป็นเปรตเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของดวงวิญญาณหรือจิตใจของพวกเราทุกคนเราจึงเลือกได้ว่าเราจะไปที่ไหนถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นเปรต เ, เราก็อย่าไปทําบาปด้วยความโลภ ถ้าเราไม่อยากไปเป็นเดรลฉานเราก็อย่าทาบาปโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นผลบาบมีผลบาปตามมาไม่เชื่อบาปคิดว่าเวลาตายแล้วศูนยร่างกายตายแล้วจบไม่มีผู้ไปรับผลบุญผลบาปเ อ, อก็เลยทําบาปได้อย่างสบายใจออทําบาปได้เพราะรู้มีความเชื่อว่าตายแล้วไม่มี ไม่มีการไปรับผลบาปตรงนี้ก็เรียกว่าไปเป็นเดลฉานถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นเดลฉานเราต้องเชื่อว่าทำบาปแล้วมีผลบาปตามมามีที่กักขังผู้ที่ทำบาปอยู่สีอยู่สคุกด้วยกันคุกของเดลฉานคุกของเปรตคุกของอสุรกายคุกของนรก ถ้าไม่อยากจะไปติดคุกเหล่านี้ก็อย่าทำบาปอย่าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่เชื่อบาปนะอย่าทำบาปด้วยความโลภอย่าทำบาปด้วยความกลัวอย่างกลัวมดกลัวมแมลงกลัวจิ้งหรีดจัวอะไรกลัวสัตว์ด้วยคารอกลัวมแมลงสาบเจอมันก็ทุบมันตีมัน มันก็เป็นเหมือนเรามันร่างกายของมันกับร่างกายของเรามันก็เจ็บเหมือนกันมันก็มีจิตใจเหมือนเราที่มันไปเป็นมแมลงสาบเพราะพ่อชาติก่อนมันเคยไปฆ่ามแมลงสาบมามันเลยต้องกลับมาเกิดเป็นมแมลงสาบให้เขาฆ่าอย่าไปอย่าไปฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่หรือใครก็ตามอย่าไปทำบาปด้วยความกลัว ทำบาปด้วยความกลัวก็จะทำให้เราไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา mm. แล้วก็อย่าไปทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทใครทำให้เราโกรธทำให้เสียใจอย่าไปล้างแค้นอย่าไปจองเวรจองกรรมให้อภัยดีกว่าให้อภัยแล้วความเครียดแค้นก็จะหายไป เราก็จะไม่ไปทำบาปเราก็จะไม่ต้องไปติดคุกในนรกเวลาตายไปเนี่ยอนาคตของเราความจริงเราเลือกกันได้ถ้าเรารู้แผนที่ของทิศทางที่เรากำลังเดินไปกันปัญหาคือพวกเรามักจะไม่มีแผนที่กันหรือดูแผนที่ไม่เป็นดูแล้วไม่เข้าใจว่าทิศเหนือทิศใต้เป็นยังไง ไปยังไงมายัางไงนะแผนที่ที่จะบอกทางพวกเราก็คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่เป็นแผนที่ที่จะบอกว่าเรากำลังเดินทางไปทิศไหนกันกำลังไปเชียงใหม่หรือไปภูเก็ตหรือไปตะวันตกหรือตะวันออกไประยองหรือไ ป, ออ ไ, ปไปเมืองการเนี่ยมันอยู่คนละทิศกัน เวลาเราเดินทางไปไหนเราเลือกทางไปได้ใช่ไหมเพราะเรารู้ทิศทางเชนวันนี้เราจะมาที่นี่เราเลือกเราเลือกมาที่นี่กันไม่ได้หลงมากันเพราะเรามีแผนที่เรารู้ทิศทางของสถานที่ที่เราต้องการจะไปกันดวงวิญญาณดวงจิตจิตใจของพวกเราก็กำลังเดินทางกันอยู่ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหนกันก็มีสองทางใหญ่ๆสุคติกับทุกติ สุกติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆทุกติก็คืออบายสี่ชั้นด้วยกันสี่สี่ห้องด้วยกันสี่สี่ขุมด้วยกันเราเลือกได้ถ้าเราไม่ไปไม่ต้องการไปเป็นเดรัจฉานเราก็อย่าทำบาปด้วยความคิดว่าบาปบาปไม่มีทำบาปแล้วไม่มีผลตามมามีผลเพียงแต่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้ ก็เราไม่มีตาทิพย์เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระสาวกเลยแต่ถ้าเราศึกษาและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปเราก็จะมีตาทิพย์เราก็จะเห็นสวรรค์เห็นนาลกเห็นอบายต่างๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นตอนนี้พวกเราเป็นเหมือนคนที่เอามีผ้ามาปิดตาเราอยู่เนี่ยถ้าเขาเอาผ้าปิดตาแล้วพาเรามานั่งที่นี่เราจะไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้าง จะมารู้ก็ต้องเอาผ้าออกพอเปิดผ้าออกทีนี้มองก็เห็นเลย ว, ว่าตรงนี้มีอะไรบ้างมีพระพุทธรูปมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้าปิดตาไม่รู้หรอกฉันได้ตอนนี้พวกเราเหมือนเป็นพวกที่มีถูกปิดตามองไม่เห็นโลกทิพย์กันไม่รู้ว่ามีโลกทิพย์ไม่รู้ว่าเหล่านี้เป็นกายทิพย์เป็นร่างทิพย์กัน เราก็เลยไปคทำเอาที่ร่างกายแล้วก็ไปเหมาว่าร่างกายนี้เป็นเราเข้าไปเท่านี้แต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ตอนนี้ตาบอดมองไม่เห็นตัวเองก็เลยไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราเข้าไปแล้วก็คิดว่าพอร่างกายตายไปเราก็จบเราก็ตายไปกับร่างกายบุญหรือบาปที่เราทํามามากน้อยเพียงไรก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาป เพราะเราคิดว่ามี ม, มีเมื่อเรากับร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปอันนี้เราต้องมาเจอพระพุทธพระธรร ม, รรม ห, หรือพระสงฆ์ถึงจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่เวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายเราก็เป็นดวงวิญญาณเรียกว่าดวงวิญญาณแล้วเราก็จะไปอยู่ ที่ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยการทําบุญหรือทาบาปของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างอนาคตของพวกเราไว้เหมือนกับเด็กที่เรียนหนังสือเนี่ยเขากำลังสร้างอนาคตเนยเขาว่าอนาคตแล้วว่าเขาจะเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นอะไรเป็นทาหารเป็นนายทหารเป็นนายตารวจ นี่เขาวาดภาพอนาคตเขานะแล้วเขก็เขาก็ทำเขาก็เริ่มสร้างบ้านที่เขาต้องการสร้างอนาคตที่เขาต้องการอยากจะไปเป็นตำรวจก็ต้องเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเตรียมตารวจอยากจะไปเป็นหมอก็ต้องเข้าโรงเรียนหมอโรงเรียนแพทย์อะไรไปต่อไปก็จะได้เป็นอย่างที่ต้องการเป็นดวงวิญญาณของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าอยากจะไปเป็นเทวดาก็ต้องทำบาปอย่าทาต้องทำบุญอย่าทำบาปถ้าอยากจะไปเป็นเดรัจฉานก็ทำบาปไปอยากเป็นเปรตก็ทำบาปด้วยความโลภอยากไปเป็นนักศุลกายก็ทำบาปด้วยความกลัวอยากจะไปนรกก็ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทแล้วรับรองได้ได้ได้สิ่งที่เราอยากได้กันแน่นอน นี่เป็นความจริงที่พวกเรามองไม่เห็นเพราะตอนนี้เราถูกผ้าปิดตาเราไว้ปิดตาทิพของเราไว้เราต้องอาศัยคนที่ไม่มีผ้าปิดตาทิพก็คือพระพุทธเจ้ากับพระสาวกแล้วท่านจะสอนวิธีให้เราเปิดเอาผ้าออกจากผ้าที่ปิดตาทิพออกไปด้วยการทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเริ่มเห็น สิ่งที่เราไม่เห็นกันตามลำดับต่อไปเนีอ น, นี่คือเรื่องของอนาคตของพวกเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเหลังจากที่เราตายไปแล้วส่วนใหญ่ถามใครว่าตายแล้วไปไหนไม่มีใครรู้กันที่ไม่รู้เพราะว่าไม่ไปดูแผนที่ไม่ไปถามคนที่รู้เพราะไม่เชื่อว่าคนที่รู้นี่รู้จริงกลับไปคิดว่าถูกหลอก หาว่าคนที่รู้จริงนี่มามาหลอกมาหลอกให้ทําความดีมาหลอกให้ไม่ทําบาปแต่ความจริงไม่ได้เป็นการมาหลอกลวงเพราะผู้ที่มาหลอกลวงเขาไม่ได้อะไรจากเรานะ่เขามาให้ความช่วยเหลือกับเราที่เป็นเหมือนคนตาบอดที่จะเดินข้ามถนนนี่เขาต้องมาบอกเราว่าอย่าเพิ่งเดินตอนนี้มีรถวิ่งมา ไว้รอให้ไม่มีรถก่อนแล้วค่อยเดินเออถ้าไม่เชื่อก็เขาก็ไม่ว่าอะไรเาอยากจะเดินข้ามเองก็ข้ามเดี๋ยวก็ถูกรถชนเออถ้าเดินว่าคิดว่าไม่มีรถมาเพราะรถมันสมัยนี้มันอาจบังคันมันไม่มีเสียงออก็คิดว่าไม่มีรถมาพอเดินลงไปก็โดนโดนชนตูมเข้าไปเอหเจ็บ ต, ตัวอันนี้ก็ลักษณะเดียวกัน พวกเราตอนนี้เป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นโลกทิพย์มองไม่เห็นอาบายมองไม่เห็นสวรรค์เราก็เลยไปปฏิเสธแบบดือด้อๆอย่างนั้นเหมือนคนโบราณก็แปลว่าโลกนี้แบนใช่หไหมแต่มันแบนหรือเปล่าปัจจุบันเขาก็มาพิสูจน์เห็นว่ามันกลอมเลยอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพวกที่เห็นว่าโลกนี้กลม ท่านเห็นว่าดวงวิญญาณจิตใจของพวเราไม่ตายไปกับร่างกายแต่จะไปอยู่ที่ที่เราสร้างกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราทำบาปเราก็สร้างอบายเป็นที่อยู่อาศัยถ้าเราทำบุญเราก็สร้างสวรรค์ชั้นเทพเป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นถ้าเราอยากจะไปที่มีความสุขไม่มีความทุกข์ เราก็ต้องอย่าทำบาปแล้วก็ทำบุญให้มากๆเพราะยิ่งมากก็ยิ่งได้ความสุขมากได้เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากขึ้นอยากจะเป็นเศรษฐีหนึ่งล้านหรือสิบล้านได้เลือกเอาร้านหนึ่งดีหรือสิบล้านดีเอาบ้านราคาร้านกับบ้านสิบล้านจะแบบไหนดี ให้เลือกก็ต้องเอาสิบล้านเนี่ยมันใหญ่มันสบายกว่ามันมีอะไรเยอะแยะ ก, กว่าอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยบ้านของพวกเราในอนาคตนี้เราเลือกได้เราสร้างได้แล้วเราต้องเป็นคนสร้างเองด้วยคนอื่นสร้างให้เราไม่ได้บุญนี้คนอื่นทาให้เราไม่ได้บาปนี้คนอื่นทำให้เราไม่ได้เราเป็นผู้ทำแล้วเราเป็นผู้รับผล พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเรามีบุญมีบาปเป็นของเราเราเป็นผู้กระทาและเราเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปรับตั้งแต่ตอนที่เราทำเลยตอนที่เราทำก็เหมือนกับตอนที่เร า, เาไปซื้อของมาปั๊บเราก็ได้ความสุขจากการซื้อของทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ใช้ของนั้นเลยก็ได้ความสุขแล้วแล้วถ้าเราเอาของนั้นไปใช้ก็ได้ความสุขอีก ตอนที่เราทําบุญนี้พอเราได้บุญปับ๊บเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้เอาบุญไปใช้เพราะบุญที่เราจะไปใช้นี่ต้องรอให้ร่างกายนี้ตายไปก่อนแต่เราเอามาเก็บไว้สำรองสำสำรองไว้ในใจเราเป็นเหมือนธนาคารบุญเก็บสะสมเงินทองไว้ในธนาคารบุญ แล้วพอไม่มีร่างกายปั๊บเราก็เอาบุญที่เราสะสมไว้ในใจนี้มาเป็นเงินใช้จ่ายต่อไปในโลกทิพย์นะจะไปโลกทิพย์ไปสวรรค์ได้ต้องมีบุญมากกว่าบาปนะถ้าบาปมากกว่าบุญนี่ต้องไปในอบายไปใช้ผลผลบาปก่อน จนกว่าบาปไม่มีกําลังที่จะดึงให้ใจอยู่ในอบายก็ต้องมาเป็นมนุษย์ก่อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเพราะช่วงที่เป็นมนุษย์นี่เป็นช่วงที่บุญกับบาปมันมีกําลังเท่ากันบุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอบายไม่ได้เห็นไม่ว่าใครจะไปที่ไหนไม่ช้าก็เร็วก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ไปใช้บาปในอบายพอบาปมัน ลดลงมาเท่ากับบุญก็กลับมาเป็นมนุษย์ไปไปรับบุญในสวรรค์พอบุญลดลงมาเท่ากับบาปมันก็กลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องกลับมาเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆเพราะว่ามีเหตุที่พาให้พวกเราต้องต้องกลับมาเป็นมนุษย์กันเหตุที่ทําให้พวกเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซึ่งไม่ต้องมีร่างกายถึงจะหาความสุขได้เราเลยเวลาไม่ได้เวลาบุญไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้เราก็ต้องกลับมามีร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราพอเราได้ร่างกายมาปั๊บเราก็อยากดูใช่ ห, หม้เด็กตั้งแต่เด็กนี้ก็อยากดูอยากฟังนูน่นฝังนี่นะต้องมีตุกตาต้องมีของเล่นอันนี้ก็เป็นความอยากหาความสุขจากรูปจากเสียงต่างๆอันนี้เป็นตัวที่ทำให้เราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไปเป็นเทวดาแล้วก็ตามหรือไปติดทุกข์ติดตารางในนรกแล้วก็ตาม อบุญกับบาปนี้มันไม่มีกําลังที่จะดึงให้เราอยู่ในอบายหรืออยู่ในสวรรค์ได้เราก็จะกลับมามีร่างกายถ้าเราเบื่อกับการกลับมามีร่างกายเพราะว่าการมีร่างกายมันมีทั้งดีและไม่ดีตอนที่มันแข็งแรงมันก็ดีมันสามารถ ทำหน้าที่รับใช้เราได้ดีอยากไปเที่ยวมันก็พาเราไปเที่ยวอยากไปดูหนังฟังเพลงมันก็จะพาเราไปอยากจะกินจะเดิมอะไรมันก็จะพาเราไปตอบสนองความอยากของเราได้แต่พอมันเริ่มแก่มันก็เหมือนรถเก่าเนะลรถเก่าบางทีอยากจะไปนูน่นมานี่ย์สตาร์ทไม่ติดแบตเสียซะแล้วบัตหมดแบตเสือ่อมอายุ แบตไม่เสื่อมอา้าวสตาร์ตติดอย่างแฟบใช่แล้วอมันจะมีปัญหาอะไรต่างๆต่างร่างกายเราก็เป็นเหมือนรถยนต์นนะพอมันเก่าแล้วเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวอเดี๋ยวก็เป็นนําไส้เป็นอะไรจะไปเที่ยวเหมือนตอนที่มันแข็งมีกําลังวังชามันไปไม่ได้ใชนะ่มมัวแต่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ย ตอนนั้นมันจ ะ, ะเบื่อมันจะไม่อยากอยู่มันจะไม่อยากมีร่างกายใชนะ่ไะถ้าเราเบื่อไม่อยากจะมีร่างกายพระพุทธเจ้าก็มีวิธีทาให้เราไม่ต้องกลับมามีร่างกายวิธีที่จะทำให้เรากลับไม่มีร่างกายนอกจากการไม่ทำบาปทาบุญแล้วเรายัางต้องยกระดับจิตให้สูงขึ้นกว่าระดับของเทวดา ต้องให้จิตขึ้นสู่ระดับของพรหมอีกชั้นหนึ่งการที่จะขึ้นสู่ระดับของพรหมได้นี้เราต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดแล้วก็ต้องมาหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะยกระดับจิตของเราดวงวิญญาณของเราเวลาตายไปก็จะขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าระดับของเทวดา คือระดับของพรหมมีอยู่สองระดับสวรรค์ระดับของรูปประพรมกับอรูปประรมต่างกันเพราะสมาธิเป็นชนิดต่างกันผู้ที่ได้สมาธิที่เรียกว่ารูปประชานก็จะได้เป็นไปรูปไปอยู่สวรรค์ชั้นรูปประรมผู้ได้ที่ได้สมาธิที่ละเอียดกว่ารูปประชานที่สงบมากกว่ารูปประชานเรียกว่าอรูปประชานก็จะไป สวรรค์ชั้นอาลูปปะพงต้องไปสวรรค์สองชั้นนี้ชั้นใดชั้นหนึ่งต้องยกระดับขึ้นไปวิธีที่จะยกระดับดวงวิญญาณให้ขึ้นสูงกว่าระดับของเทพเนี่ยก็ต้องรักษาศีลนแปดคือต้องเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ไม่แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขสิ้นแปนี้เป็นตัวห้ามน ศีลห้า น, นี้ห้าไม่ให้ไปอบายแล้วศีลหกถึงแปดนี้ห้าไม่ให้ไปเสพกามศีลข้อสามของศีลห้าก็เปลี่ยนเป็นอภ ร, รมมัจจลิยาคือไม่ให้ร่วมหลับนอนแม้แต่สามีหรือภรรยาของตนถ้าอยากจะไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพนะต้องไม่เสพกามไม่ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตน แล้วก็ไม่หาความสุขจากการรับประทานหรือดื่มรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มต่างๆให้ดื่มได้เป็นเวลาแบบดื่มหรือกินยาเป็นเหมือนกับกินยาเป็นเวลาเช่นพวกถือศีลแปดนี้ให้กินแค่เที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันให้ดื่มน้ําได้แต่ไม่ให้รับประทานอาหารเพราะว่ามันจะเป็นการเสพกรามเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหาร ให้กินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้กินช่วงเช้าถึงเที่ยงก็พอแล้วก็ห้ามไปหาความสุขจากบันเทิงมหัศศพต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงร้องําทำเพลงเต้นรัางเต้งกาไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปดูละครสัตว์ไปดูละบําดูอะไรต่างๆ ไปฟังคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรต่างๆไปงานปาร์ตี้ต่างๆไปเหล่านี้ตัดให้หมดไม่ให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแม้แต่มือถือนี้ก็ไม่ให้เปิดให้ใช้ได้เฉพาะกิจกรรมที่จำเป็นเช่นโทรศัพท์ติดต่อมีธุระประบังช่วงที่ต้องการจะไม่เสกกรรมนี้อย่าไปเปิด เพราะมันจะมีรูปเสียงให้ได้เสพนั่นเองอแต่ถ้าเปิดเพราะมีความจําเป็นทําธุระไม่เป็นไร ท, ทําธุรกิจต้องติดต่อกับลูกค้าเออันนี้ทําเหมือนกับกินข้าวกินด้วยการกินเพราะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกินได้ถ้าเปิดมือถือเพื่อที่จะทําธุรกิจก็เหมือนกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพราะธุรกิจก็จะหาเงินมาให้เราเพื่อเราจะได้มีเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั่นเองถ้าใช้แบบนี้ก็ใช้ได้ถึงแม้จะถือศีลแปดก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเปิดเพื่อแก้วความเหงาอยากจะเพลิดเพลินอยากจะมีความสุขจากการดูจากการได้ฟังอะไรที่มีอยู่ในมือถือมันก็เหมือนกับดูหนังฟังเพลงเนะี่ยอันนี้ก็ต้องห้ามตัวเองถ้าอยากจะยกระดับ ดวงวิญญาณให้ขึ้นสู่ระดับของสวรรค์ชั้นพรหมเพราะเราต้องการเอาเวลามายกระดับจิตนั่นเองถ้ามัวไปเไปเสพกามอยู่มันก็ยังติดอยู่สวรรค์ชั้นเทพอยู่นั่นเองเห็นต้องหยุดห ย, ยุดการเสพกามหยุดการเสพรูปเสียงกลิน่นรสแล้วก็มาฝึกสมาธิให้เข้าฌานขั้นต่างๆให้ได้ ถ้าเราควบคุมจิตให้หยุดคิดได้จิตก็จะเข้าสู่ความสงบในระดับต่างๆความสงบนี้ก็เป็นเหมือนสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นต่างๆเกิดจากบุญมากบุญ น, น้อยชาญนขั้นต่างๆก็เกิดจากความสงบมากสงบน้อยการที่จะสงบมากสงบน้อยก็อยู่ที่กำลังของสติว่ามีมากมีน้อยถ้าสติมีกำลังน้อยก็จะเข้าชานไดขั้นต่า ถ้าสติมีกำลังมากก็จะเข้าฌานขั้นสูงได้เห็นผู้ที่จะต้องการที่จะเข้าฌานเข้าสมาธิชั้นต่างๆนี้ต้องฝึกสติให้มากถ้ามีสติมากก็จะเข้าสู่ฌานขั้นที่สูงได้ถ้ามีสติน้อยก็เข้าสู่ขั้นชั้นที่ทต่ำด้วยความสุขความสงบที่น้อย ถ้าสติไม่พอก็เข้าสมาธิไม่ได้ที่นั่งสมาธิกันแล้วจิตยังไม่สงบเนี่ยแสดงว่าสติยังไม่พอกำลังที่จะขับรถขึ้นเขาขึ้นไม่ถึงยอดขึ้นถึงกลางเขาก็ไหลกลับลงไปข้างล่างเพราะแรงยังไม่พอต้องพยายามไปปรับปรุงเครื่องรถให้มันมีพลังมากขึ้นหา หาน้ํามันชนิดดีๆที่มีการมีพลังมากขึ้นสิ่งที่จะทําให้จิตเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ก็คือสติเห็นต้องพยายามฝึกสติให้มากฝึกจนกว่าจะเข้าฌานได้ถ้ายังเข้าฌานไม่ได้ก็แสดงว่าสติยังไม่พอต้องฝึกไม่ใช่มาฝึกตอนที่นั่งด่า น, นั้น ถ้ามาฝึกตอนที่นั่งเนื้อจะไม่มีทางที่จะได้ฌาญเลยต้องฝึกมาก่อนที่จะมานั่งต้องมีเหมือนรถนี่ต้องวิ่งให้มันเร็วก่อนถึงจะมาขึ้นเขาถ้ามาเริ่มสตาร์ทที่ตีนเขานี่มันไม่มีแรงที่จะขึ้นไปมันต้องเร่งความเร็วมาก่อนถ้ารู้ว่าจะขึ้นเขาจะขึ้นเ น, นินนี้ต้องรีบเร่งไว้ก่อนแล้วให้รถมันวิ่งเร็วพอมันวิ่งเร็วมันพอถึงขึ้นเขามันก็จะมีกําลังขึ้นไปได้ ถ้ามาเริ่มต้นที่ศูนย์ตรงตอนที่เริ่มจะขึ้นเขานี่มันไม่มีแรงขึ้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันการที่จะทำให้จิตสงบเข้าฌานขั้นต่างๆได้ต้องเตรียมสติไว้ก่อนไม่ใช่มาเตรียมมาเริ่มเตรียมตอนที่เริ่มนั่งสมาธิมาต่งเริ่มต้นนั่งสมาธิแล้วค่อยมาฝึกสติมันก็ไม่มันก็ไม่มีความมันที่จะสงบได้จิตมันก็จะคิดฟุ้งไปเรื่อย สติไม่มีกำลังสู้สความคิดได้ต้องพยายามลดความคิดอยู่บ่อยๆต้องทำทั้งวันทั้งคืนทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาคนที่จะมาฝึกสติให้เข้าชานได้นี้มักจะต้องไม่มีงานอย่างอื่นทำเพราะถ้ามีงานอย่างอื่นทามันก็ไม่สามารถควบคุมความคิดได้เพราะจะต้องเอาความคิดไปใช้กับการงานต่างๆ คนที่ต้องการเข้าฌานจึงมักจะไปถือศีลอยู่วัดกันหรือไปบวชกันเพราะว่าถ้าไปถือศีลไปบวชแล้วมันไม่มีงานต้องทำไม่มีงานอย่างที่เราต้องทำกันงานที่ต้องทำก็เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นงานกวาดถูทำความสะอาดงานรับประทานอาหารล้างถ้วยล้างชามอะไรไม่ต้องใช้ความคิดมาก สามารถฝึกสติควบคู่ไปกับการทำงานได้แต่ถ้าไปทำงานตามสำนักงานตามโรงเรียนนี้มันต้องใช้ความคิดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถควบคุมหรือหยุดความคิดได้ผู้ที่ต้องการจะเข้าฌานต้องการยกระดับต้องการขึ้นไปสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพ ก็มักต้องไปบวชกันไปถือสินบวชสินแปดหรือสินของนักบวชสองร้อยี่บเจ็ดข้ออันนี้ถึงจะสามารถที่จะมีเวลาที่จะมาฝึกสติสร้างสติขึ้นมาเหมือนกับเราต้องถอยรถไปไกลๆจากภูเขาที่เราจะขึ้นก่อนเราก็เร่งความเร็วไว้พอมาถึงตีนเขามันก็มีแรงหุ่งขึ้นไปเลย แต่ถ้ามาเริ่มต้นที่ตีนเขา ม, ม, ม, มันไม่มีกำมันไม่มีกาลังที่จะพาขึ้นเขาได้ในการฝึกสติก็แบบนั้นเราต้องพยายามหยุดความคิดตัดความคิดลดความคิดให้มันเบาลงเบาลงน้อยลงน้อ ย, อ ย, อยลงไปเรื่อยจะทำได้ดีก็ต้องต้องไปอยู่วัดไปบวชเพราะว่าจะได้ไม่มีงานอื่นมารบกวน จะได้มีเวลาฝึกสติสร้างสติให้ได้มากแล้วพอเรามีเวลาว่างจากการทำภารกิจเราก็มานั่งสมาธิกันพอนั่งสมาธิถ้ามีสติควบคุมคาวามคิดอยู่แล้วจิตมันก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วจะสามารถเข้าฌานได้ฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่ ส, สี่ไปตามลำดับ ของกําลังของสติที่เราสร้างกันขึ้นมาวิธีเจริญสติก็ต้องใช้กรรมาฐานคืออารมณ์คําว่ากรรมาฐานคืออารมณ์ที่จะเอามาใช้ในการหยุดความคิดต่างๆเช่นถ้าเราใช้พุทธานุสติเป็นอารมณ์คือใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราท่องพุทโธพุทโธไปเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ หรือถ้าเราไม่ท่องพุโทโธเรากำลังทำอะไรอยู่เราก็เฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็เฝ้าอยู่ว่าเรากำลังเดินอย่างเดียวอย่าเดินไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการเดินอย่างเดียวเช่นตอนนี้กำลังก้าวเท้าซ้ายกำลังก้าวเท้าขวาไป บางคนอยากจะละเอียดกว่า น, นั้นก็กำลังยกเท้ากำลังก้าวเท้ากำลังวางเท้ายกหนอก้าวหนอวางหนออันนี้มันก็จะดูพ่ลึกไปหน่อยดูเหมือนคนหัดเดินความปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ต้องเดินแบบนั้นก็เดินแบบธรรมดาแล้วก็ให้เราดูดูเท้าเราไปไม่ใช่ดูเท้าอย่างเดียวต้องดูทางด้วยมัวดูแต่เท้าเดี๋ยวเดินไปแตะนูน่นแตะนี่เข้า ก็ต้องดูทางเดินดูเท้าเราควบคู่ ก, กันไปว่าเรากำลังเดินไปเตะอะไรหรือเปล่าไปเดินไปชนอะไรหรือเปล่าแต่ให้จิตอยู่กับการเดินเวลาเดินจงกรมนะถ้าเดินไปแล้วมันยังโซนยังด้อยังอยากไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ก็ใช้พุโทโธมาช่วยก็ได้เดินไปก็ท่องพุโทโธพุโทโธไป อย่างนี้มันก็จะทําให้ควบคุมความคิดลดความคิดให้เบาบางลงได้ถ้าทําอย่างนี้ได้เวลามานั่งสมาธิมันก็จะง่ายเหมือนกับขับรถที่มีความเร็วแล้วพอจะขึ้นเขามันก็ขึ้นง่ายกว่ารถที่มาจอดตีนเขาแล้วค่อยเริ่มสตาร์ทขึ้นไปอันนี้คือความสาคัญของสตินะถ้าไม่ฝึกสติไว้ก่อน ไม่มีวันที่จะเข้าฌานเข้าสมาธิได้เหตุนั้นต้องฝึกสติทั้งวันเนะครพระพุทธเจ้าบอกสติเป็นสิ่งที่จําเป็นทุกกรณีทําอะไรต้องมีสติเสมออย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับอดีตไปกับอนาคตไปกับความคิดต่างๆให้ดึงจิตไว้ให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับภารกิจที่เรากําลังทําอยู่หรืออยู่กับคบําบาลีรมพุทโธพุทโธเ ถ้าทำอย่างนี้แล้วเรียกว่ามีสติจะมีกําลังที่จะสามารถหยุดความคิดได้เวลาที่เรานั่งสมาธิถ้าอยากจะให้สงบนิ่งเต็มร้อยนี่ต้องนั่งเฉยๆเพราะถ้าถ้ายังทำอะไรอยู่จิตก็ยังต้องทำงานอยู่เพราะจิตต้องเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำงานถ้ายังต้องล้างจามน้างอะไรกินข้าวอยู่นี้จิตก็ต้องทำงาน จะให้จิตนิ่งไม่ได้จะให้จิตนิ่งนี้ต้องให้ร่างกายนิ่งก่อนต้องให้ร่างกายไม่เคลื่อนไหวเช็นเวลานั่งสมาธินี้เราไม่ให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ให้ทำอะไรนั่งมันจับมันขัดขัดสมาธิไว้อมือมือซ้ายทับมือขวาขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ให้เจริญสติไป ตอนมานั่งถ้าอยากจะใช้การดูลมหายใจแทนพุโทโธก็ได้หรืออยากใช้พุโทโธก็ได้แล้วแต่ความพอใจขอให้มีสติเวลานั่งอย่านั่งแบบเฉยๆนั่งเฉยๆจิตจะไม่สงบแล้วดีไม่ดีจิตมันจะมาหลอกเราจะมาสร้างภาพอะไรหลอกเราจะมาสร้างเสียงามาหลอกเรา แล้วถ้าเราไม่ฉลาดเราเชื่อมันแล้วก็อาจจะคิดว่าเราเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาเหมือนพวกที่นั่งแล้วคิดว่าเป็นพรมมั่งเป็นอะไรบ้างเนี่ยไปเนะี่ยอันนี้ถูกถูกจิตมันหลอกการนั่งนี้ไม่ได้ให้ไปเป็นพรมรือเป็นอะไรนั่งเพื่อให้มันสงบนะให้จิตสงบให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาเพราะอุเบกขานี่แหละเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการที่เราจะ หยุดความอยากต่างๆที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองการนั่งสมาธินี้เป้าหมายหลักจริงๆคือต้องการความสงบที่มีอุเบกขาติดมาด้วยอุเบกขาคืออะไรคือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง จิตเวลาสงบเป็นอุเบกขาแล้วเคยกลัวจิงหดีดกลัวมะแรงสาบก็จะไม่กลัวกลัวมดกลัวมแมลแงก็ไม่กลัวมันจะมาเกาะติดที่ร่างกายก็เฉยเฉยถ้ามันมีอุเบกขาแล้วมันจะเฉยเฉยได้นี่คือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราจะต้องใช้อุเบกขานี้มาหยุดความอยากที่จะพาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันนั่นเองกลับมาเกิดเป็นร่างกาย มาหยุดความอยากเสพลูกเสียงกลิ่นรสเนยถ้าเรานั่งสมาธิได้นานเราจะมีอุเบกขาได้นานอย่างในเบื้องต้นนี้เราต้องพยายามฝึกสมาธิให้มากๆให้มีอุเบกขาตลอดเวลาทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและออกมาสมาธิอุเบกขานี่มันเป็นเหมือนความเย็นของน้ำที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยถ้าเราแช่น้ำไว้นาน มันก็จะเย็นนานเวลาเราออกมาจากเอาออกมาจากตู้เย็นแต่ถ้าเราแช่ไม่นานออกมาเดี๋ยวเดียวมันก็หายเย็นเย่ น, นถ้าเราต้องการให้จิตมันเย็นนานๆหลังจากที่ออกจากสมาธิมาเราก็ต้องเข้าสมาธิบ่อยๆเข้าให้มากๆเข้าให้นานๆพอเราออกมาจิตเราก็เย็นพอมันจะหายเย็นเราก็ต้องเอากลับเข้าไปใหม่ ช่วงที่ออกมาตอนช่วงที่จิตเย็นนี่เวลากิเลสมาชวนให้ไปดื่มไปกินอะไรก็เฉยได้อยากจะดูก็ไม่ดูก็ได้อยากจะดื่มอะไรก็ไม่ดื่มก็ได้อันนี้ที่จะมาทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้โดยการใช้ปัญญามาสอนว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องหยุดความอยากการเสพรูปเสียงกลิ่นรส ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในตายพบก็ต้องหยุดความอยากที่จะมาเกิดในกามมาพบในรูปพบและอรูปพบเนี่ยถ้าเรามีอุเบกขาจากสมาธิเราก็จะหยุดได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าอุเบกขาไม่พอก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิช่วยอย่าไปทำตามความอยากพอใจชักจะอ่อนนาะอยากจะกินกาแฟาขึ้นมาอย่างนี้ ก็กลับไปในสมาธิแทนแล้วพอออกมาความอยากดื่มกาแฟก็จะหายไปพอมันอยากอีกก็กลับเข้าไปอีกจนกว่าความอยากดื่มกาแฟมันหายไปความอยากดูหายไปอยากฟังหายไปต่อไปออกมาแล้วไม่มีความอยากมาดึงให้เราไปทำอะไรแล้วพอหมดความอยากแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่กลับมาเกิดอีกแล้วผู้ปฏิบัติเขารู้ว่า เขาจะกลับมาเกิดหรือไม่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเขาหรือไม่เขาดูที่ความอยากในใจเขานี่แหละว่าเขาอยู่เฉยๆได้ไหมหรือต้องไปทำนู่นทานี่อยากนู่นอยากนี่ถ้ายังอยากนู่นอยากนี่อยู่ก็แสดงว่ายังต้องกลับมาเกิดอยู่แต่ถ้าไม่อยากแล้วก็จะรู้ไม่กลับมาเกิดแต่การไม่อยากนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทาอะไรทาได้แต่ไม่ได้ทาด้วยความอยาก ทำด tourism, ้วยเหตุผลเช่นถูกเขาเชิญให้ไปไปทำนู่นทำนี่ก็ไปทําให้เขาได้แต่ไม่ได้ทําด้วยความอยากเขาเชิญให้ไปกินก็ไปกินได้ถ้าถึงเวลากินก็กินได้แต่ไม่ใช่เวลากินก็ไม่รับเชิญอันนี้ยังทําได้อยู่เพียงแต่ไม่ได้ทําด้วยความอยากถ้าไม่ได้ทําด้วยความอยากมันจะไม่ติดถ้าทำด้วยความอยากมันจะติด อยากกินกาแฟพอไปกินแล้วเดี๋ยวก็อยากกินอีกถ้วยหนึ่งแต่ถ้าเขาทำกาแฟมาให้ดื่มถ้วยเดียวไม่ได้อยากกินดื่มแล้วมันก็เฉยเฉยเพราะไม่ได้กินด้วยความอยากมันไม่ติด น, นี่คือขบวนการที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปเราก็ต้องปฏิบัติทำระดับ ศีลห้าศีลแปดขึ้นไปแต่ถ้าเรายังยังอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ยังจับมาร่ำรวยยังอยากจะเป็นเทวดาก็ทำบุญไปอย่าทำบาปไปมีสองทางเลือกอย่าทำบาปแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ยังอยากไปเป็นเทวดายังกลับมาร่มรวยเป็นมนุษย์มีความสุขกับสมบัติที่ได้สร้างเอาไว้ก็ทำบุญเยอะ ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ไปใบบวชไปอยู่แบบนักบวชไปถือศีลนักบวชแล้วก็ไปนั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นอุเบกขาแล้วก็เอาปัญญามาคอยสู้กับความอยากต่างๆว่าการทำตามความอยากจะพาให้เราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็อย่าไปทาตามความอยาก แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปจากใจเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่เกิดมาเกิดดีกว่าเกิดถึงแม้จะเกิดมารวยก็ต้องแก่เจ็บตายแต่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเลือกกันเอาเองว่าจะเอาอย่างไรคนบอกก็เพีงแต่บอกทางคนเดินก็ต้องเลือกทางเดินของตนเองการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาไรวาหาปูราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตตินางเปตานังอุปปักปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนาราโสยธามณีโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิธิคายุโกภว อภิวาทานาสิลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธมรวัทันติอายุวันโอสุขังพาลางังต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ถามได้เฉพาะช่วงนี้พอเลิกแล้วก็ไม่มีการถามไม่มีการตอบถ้าอยากจะถามขอเชิญถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะทักถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านติดตามมาเท่าไหร่หวันนี้ทางเฟ e บุ o k เข้ามา305ย t u b บ352 วิทยุออนไลน์19รับฟังข้างบนนี้45คนรวมทั้งหมด721ครับอ ม, มีคำถามก็ยกมือขึ้นมานะถ้าไม่ยกมือก็จะเอาคำถามจากทางบ้านออกมาถามก่อนคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทางเฟซบุ๊กนะครับหนูเคยทราบมาว่าการภาวนาสามารถพ้นทุก์ได้ แต่หนูเป็นผู้ที่ชอบภาวนามากๆถ้าหนูภาวนาเกือบทุกวันบางวันก็สองครั้งแต่ละครั้งก็นานจิตดูและดูจิตไปด้วยเพื่อไม่ให้ทรงจิตออกนอกจากบทภาวนาทำแบบนี้หนูสามารถพ้นทุกข์ได้ไหมเจ้าคะ อ, อถ้าทำแค่วันละสองครั้งไม่พอหรอกต้องทำทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นนะถึงจะพ้นทุกข์ได้ พรเวลาเราไม่ทํามันก็มาสร้างความทุกข์ใหม่เวลาเราทํามันก็หยุดสร้างชั่วคราวถ้าเราไม่เราต้องการให้มันหยุดตลอดเราก็ต้องทําตลอดเหมือนเบรครถเนี่เวลาเราเบรครถมันก็จอดพอเราปล่อยเบรกมันก็วิ่งใหม่เห็นถ้ามันวิ่งเราก็ต้องคอยเหยียบเบรกไว้ไม่ให้มันวิ่งคําถามต่อไปจากคุณนอ็อ พระอาจารย์บอกว่าถ้าต้องฆ่ า, มาแมลงสาบแล้วต้องเกิดเป็นมแมลงสาบให้เขาฆ่าอย่าไปทำบาปด้วยความกลัวแต่ถ้าเราต้องทำเพราะลูกกลัวเราก็ต้องเกิดเป็นสิ่งนั้นเพราะเราเป็นผู้กระทำใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเอาเขาไปปล่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะใช่ถ้าเราไม่ฆ่าเขาไม่เป็นไรจับเ้าแล้วก็เอาไปปล่อยที่อื่นให้เขาเปลี่ยนย้ายโยกย้ายที่อยู่เหมือนเวนคืนที่ดินใช่นะ เวลาเขาจะสร้างถนนหนทางเขาก็ต้องเวนคืนที่ดินเขาก็จ่ายค่าชดใช้ให้แล้วก็ย้ายบ้านเข้าไปคำถามจากคุณเบนจวันมีสองคำถามครับคำถามแรกถ้าเรารู้ว่าเราทุกข์เพราะไม่อยากพลัดพลากจากสิ่งที่เรารักแต่เราไม่สามารถดับความทุกข์ได้ต้องทาอย่างไรเจ้าะ่ะก็ อ, อย่าไปมีมันสิถ้าไม่มีแล้วจะมีการพลัดพลาดจากกันได้อย่างไร มันจะมีมันก็จะพัดภาก็ต้องมีอะไรให้พัดภากันถ้าไม่อยากจะพัดภากจากลูกก็อย่าไปมีลูก้ไม่อยากพัดภากจากแฟนก็อย่าไปมีแฟนอยู่คนเดียวเนี่ยเราอยู่คนเดียวไม่เห็นไม่ไม่มีอะไรต้องพัดภากนะนอกจากบาทท่านั้นนะน <c oughs> <c oughs> ีบาทใบเดียว <c oughs> ที่เป็นของเรากับจีวร <c oughs> แค่นี้ มีมีสมบัติอยู่แปดชิ้นน้องนั้นไม่มีอะไรแล้วอตไม่มีอะไรจะต้องสูญเสียไม่มีอะไรต้องพัดพาคจากกันมีก็เพียงร่างกายนี้ที่จะต้องพัดพาคจากมันก็ต้องปลงแนละ้วปลงให้ได้ปลงว่ามันไม่ใช่เป็นของเรามันจะต้องจากเราแล้วก็จะเป็นร่างกายสุดท้ายเราไม่เอาอีกแล้วถ้าได้ร่างกายใหม่ก็ต้องมาพัดพาคจากมันใหม่อยู่เรื่อย คำถามที่สองนะครับอะไรทําให้เราต้องทุกข์เพราะเรื่องดําเดิมๆ เ, เสมอๆและเราจะทําอย่างไรให้รับมือได้เมื่อต้องเกิดความพลัดพรากเจ้าค่ะก็บอกแล้วไงก็อย่าไปมีตอนนี้มีอะไรก็ยกให้คนอื่นไปให้หมดอยู่แบบไม่มีแล้วเวลาถ้าเราเรายกให้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรายินดีที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยินดี พอเราต้องเสียอะไรไปเราเสียใจเพราะเราไม่อยากจะเสียแต่ถ้าเราอยากจะเสียแล้วเรากลับไปความสุขใจใช่ไหมเช่น แ, แฟนไม่ดียกให้คนอื่นไปเลยโอ้สบายใจอยู่กับแฟนไม่ดีสู้อยู่คนเดียวดีกว่าใช่ไหมอนนี้ก็เราต้องพยายามยกทุกสิ่งยกอย่างให้คนอื่นไปให้ได้ด้วยการมองว่ามันไม่ดีถ้ามองว่ามันดีแล้วก็เสียดายถ้ามองว่ามันไม่ดีเกะกะลกลุงนัง สร้างปัญหาให้กับเราสร้างความทุกข์ให้กับเราเนี่ยลูกเราเนี่ยยกให้ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเลี้ยงมันให้เหน็ดให้เหนื่อยต้องเสียเงินเสียทองต้องมาปากเปียกปากฉี่กับมันขอยกให้ใครมาขอยกไปเลยยกอย่างพระเวสสันดรเ น, นี่ยพอชูโชคมาขอลูกเ อ, อ้ยเอาไปเลยกูจะภนะาวนาจะได้คําถามจากคุณธนากร การทำสมาธิจำเป็นไหมครับที่จะต้องทำจนถึงอรูปฌปานสี่ครับไม่จำเป็นแค่รูปฌปานสี่ก็พอแต่ถ้ามีสติมากอยากจะเข้าไปสู่อรูปฌปานก็เข้าได้คำถามต่อไปจากคุณสายันการจะเป็นพระโสดาบันต้องปฏิบัติอย่างไรครับและจะต้องมีสมาธิถึงขั้นไหนถึงจะตัดสังโยชน์สามประการได้ครับ ทุกระดับของพระอริยะนี้ต้องมีศีลสมาธิเต็มร้อยศีลบริสุทธิ์เต็มร้อยสมาธิต้องอยู่ระดับอับปปนาสมาธิมีอุเบกขาเต็มร้อยแล้วต้องมีปัญญาเต็มร้อยคือเห็นไตรลักษณ์ตลอดเวลาเห็นอริยาสัจสีตลอดเวลาก็จะสามารถบรรลพุพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆได้ และผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วจะทราบด้วยตนเองไหมครับ ว, ว่าได้บรรลุธรรมแล้วครับทราบก็ปล่อยวางขันห้าได้แล้วไม่ยึดติดกับร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นจะตายเท่ากันไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งก็เท่ากับก็เฉยเฉยไม่ตื่นเต้นตกใจเดือดร้อนถูกสารจบถูกสารตัดสินให้ประหารชีวิตก็เฉยเฉย คำถามต่อไปจากคุณฟ้าถ้าจิตฟุ้งซ่านมากๆและคิดอคติตลอดเวลาควรทำอย่างไรดีเจ้าคะก็หยุดมันสิหยุดมันใช้กรรมฐานใช้พุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมันก็จะหยุดแต่ใหม่ๆมันไม่หยุดเนมันเหมือนเบรกรถเนี่ยพอเหยียบเบรคปั๊มจะให้มันหยุดมันไม่หยุดน่ะต้องเหยียบไปสักพักน้น่ะจะให้มันหยุด ตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่ใจมันหยุดตรงที่เราเหยียบเบรกไม่ได้แต่ถ้าเราเหยียบแบบไม่ปล่อยเดี๋ยวมันก็ต้องไปหยุดนะีข้างหน้าห้าสิบเมตรร้อยเมตรเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดนะการหยุดความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่พอพูดโทรสองคำแล้วมันจะหยุดมันไม่หยุดนะมันก็ยังคิดของมันแล้วก็พูดโทรของเราไปเรื่อยๆพูดโทไปเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องหยุดเองถ้าเราไม่หยุดพูดโทรซะก่อนคําถามต่อไปจากคุณจินคอป ถ้ายังอยากทําบุญเพราะหิวบุญอยู่อย่างนี้ต้องทําอย่างไรถึงจะปลอดภัยครับปลอดภัยยังไงล่ะไม่รู้เหมือนกันนะทําบุญมันก็ปลอดภัยนะทําบุญมันก็ไม่ไปอบายนะแต่ ย, ยังจะกลับมาเกิดอยู่ถ้าติดบุญก็ต้องทําให้มันหมดทีเดียวไปเลยมีเงินเท่าไหร่ก็ทําให้มันหมดนี่มันก็จะไม่ติดบุญนล้เพราะไม่มีอะไรจะให้ทํำนะมันจะได้ไปบวชได้เนะี่ย คำถามต่อไปจากคุณชอบเพชรจะบรรลุทำได้ต้องถือศีลแปดขึ้นไปใช่ไหมเจ้าคะ่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของมันถ้ายังไม่มีสมาธิไม่มีก็ต้องถือศีลแปดพวกที่มีสมาธิแล้วเขาก็เขาก็ถือเขาก็มีศีลแปดของเขาอยู่แล้วก็สรุปก็ต้องมีศีลแปดขึ้นไปนะถึงจะมีเวลาที่จะมาปฏิบัติ สมาธิได้มีเวลามาปฏิบัติวิปัสสนาได้คำถามต่อไปจากคุณปรีดีถ้าอยากจะได้ความสุขจากการทำสมาธิแต่ก็ทำไม่ได้สักทีได้แต่ความปวดเมื่อยความทรมานร่างกายต้องทำไปอีกนานขนาดไหนครับขอพระอ า, าจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับไ่นานหรอกทำวันนี้ก็ได้แช้มันทาทั้งวันนั้นนะถ้าไม่ทำทั้งวันเนี่ยทำแค่ครึ่งชั่วโมง จเจริญสติแป๊บเดียวมันจเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุทโธลุกไปอาบน้ําล้างหน้าแปลงผันกับพุโทโธไปอย่าให้มันคิดถ้าอย่างนี้วันเดียวก็ได้ถ้าทําได้ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องเนี่ยคนที่ไม่เคยปฏิบัติแต่เขาเคยมีสติมาแต่อดีตชาติพอเขาเริ่มนั่งห้านาทีจิตเขาก็เข้าสมาธิได้ก็มีเบ่าวัติของ ภาริยาบุคคลเนี่ยพอได้ยินได้ฟังวิธีนั่งสมาธิก็ไปทำพอทำห้านาทีจิตก็เข้าสู่สมาธิได้เลยแสดงว่าเขาเมีสติสมบูรณ์เครื่องอะไรมันร้องกรากร่ดข้างหลังเนี่ย <c oughs> ไปละไปละแอดมินไปละอ่าส่งคำถามเข้ามาคำถามจากคุณสมเกียรติครับ สัตว์เดรัจฉานต้องฆ่าเพื่อการอยู่รอดทุกชาติแบบนี้จะหมดกรรมเมื่อไรครับก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องฆ่าสิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินผักกินข้าวกินน้ำกินวัวกินอะไรไปต่อไปก็ก็จะพ้นบาปได้คำถามต่อไปจากข้างบนนี้นะครับคำถามที่หนึ่งลูกอายุเจ็ดขวบ กลัวผีไม่กล้าเข้าห้องน้ำหรือเดินไปไหนในบ้านคนเดียวยายเคยบอกว่าเด็กดือ้อผีจะเอาตัวไปสอนผีจะเอาตัวไปต้องสอนอย่างไรดีคะก็สอนว่าผีไม่มีหรอกบอกว่าหลอกไปอย่างนั้นเองหลอกให้กลัวอย่างนั้นเองจะได้เป็นคนดีไม่ดือ้อก็บอกความจริงก็ไปสิก็ เมื่อเราเป็นคนบอกเขาเชื่อเราแล้วก็บอกว่าที่บอกนี้มันไม่จริงก็แล้วกันเขาก็จะได้รู้ว่าเราเราหลอกเขาคำถามที่สองนะครับลูกอยากไปบวชเป็นสามเณรลูกอายุเจ็ดขวบนะครับแต่พ่อแม่ กังวลว่าลูกอาจไม่สามารถรักษาศีลสิบได้หากทำไม่ได้จะเป็นบาปกรรมไ ป, ปเปล่าๆต้องบอกลูกอย่างไรดีเจ้าคะ่ะเราจะไปลูกไงไปเขารักษาไม่ได้ไปก็ลองทำดูเองรักษาไม่ได้ก็ศึกเท่นั้นเองคำถามต่อไปจากคุณดาอุทิต ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องทําอย่างไรให้เขาเหล่านั้นได้รับส่วนบุญที่เราทําให้ครับก็ต้องมีบุญก่อนต้องทําบุญก่อนทําบุญที่แน่ๆก็คือถวายทานใส่บาทอันนี้ได้บุญแน่ๆทำปุ๊บได้ปับ๊บแต่บุญจากการรักษาศีลนั่งสมาธินี้ยังยังไม่ได้ ก็ยังไม่สาเร็จทํายังไม่สาเร็จสิงยังขาดอยู่สมาธิยังไม่สงบยังเป็นยังใช้เป็นบุญอุทิศไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทําบุญทําทานแน่นอนกว่าทุกทาปุ๊บได้ปั๊บอุทิศได้ทันทีส่งข้อความขึ้นมาอยูข้างหลัง เ, เดี๋ยวกันถ้อาอยากจะถามว่าเข้ามาใกล้ๆนี้ ถามไปก่อนคำถามจากข้างบนนี้นะครับมีสองคำถามคำถามแรก<ม>วิมุตตหลุดพ้นหมายถึงไม่เกิดอีกใช่หรือไม่ครับก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะคำถามที่สองครับวิมุตตแตกต่างจากนิพพานอย่างไรครับอันเดียวกันนหละกูที่ได้นิพพานก็จะวิมุตต์อีกคำถามหนึ่งนะครับเป็นไปได้หรือไม่เจ้าคะ ที่บุคคลที่ไม่ใช่นักบวชจะหลุดพ้นในชาตินี้ได้ถ้ามีมีบารมีเก่ามีบุญเก่าพอได้ฟังธรรมก็บรรลุดได้คำถามจากคุณหญิงถ้าเราดูลมหายใจจากลมหายใจยาวจนดูลมหายใจสั้นอยู่แค่ปลายจมูกแล้วดูความเคลื่อนไหวกลางหน้าอกไปด้วยเพราะรู้สึกเอง แล้วเวทนาเกิดปวดขามากเราต้องดูความปวดหรือเราสามารถขยับตัวได้เจ้าคะ่ะ อ, อ, อย่าขยับอย่าดูความปวดนั่งปล่อยวางร่างกายคิดว่าเป็นซากศพไปเรามีหน้าที่ดูลมดูลมไปอย่างเดียวถ้าเราจดจ่ออยู่กับลมไม่ไปสนใจกับอาการปวดมันก็จะไม่ทรมานใจถ้าไปสนใจกับอาการปวดมันก็จะทรมานแล้วก็อยากจะลุก มันก็จะนั่งต่อไปไม่ได้ถ้าอยากจะนั่งต่อไปให้มันเข้าสู่ความสงบก็ต้องอย่าไปสนใจกับอาการปวดของร่างกายอย่าไปสนใจเรื่องของร่างกายให้เฝ้าดูลมอย่างเดียวแล้วการเฝ้าดูลมนี้มันจะมีเป็นพลังให้เราสู้กับความปวดของร่างกายได้คำถามต่อไปจากคุณธนากรการทรงฌานอยู่ตลอดเวลาต้องทาอย่างไรครับก็มีสติตลอดเวลา ฉันมีพุทธโธตลอดเวลาคำถามต่อไปจากคุณนิยาอยากจะทำความดีทำบุญแต่พอทำแล้วก็ทำได้แค่แป๊บเดียวถ้าอยากจะทำความดีไปได้ตลอดต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็อยู่ที่เราเวลาที่เราเอาเงินไปเที่ยวจะเอาเงินไปเที่ยวก็ไปทำบุญเนี่ยเราเลือกได้เนี่ย แต่เราไม่ยอมทําเองแล้วอยากทําแต่ไม่ไม่ยอมเสียไ ม, ไม่ยามเสียเงินมันก็ทําไม่ได้ยังอยากเที่ยวอยู่ยังอยากซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอยู่มันก็ทําบุญไม่ได้เราก็ต้องตัดเงินทองที่เราจะไปใช้ทางอื่นมาใช้กับการทําบุญแทนคําถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์ ขับรถไประหว่างทางพยายามหลบเลี่ยงแต่ก็ไม่พ้นเหยียบงูเข้ารู้สึกไม่สบายใจมากครับจะเป็นบาปมากไหมครับไม่เป็นหรอกมันก็เป็นมนูุบัติเหตุที่เด็กเลี่ยงไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณสมศักดิ์ครับคำว่าปล่อยวางในทางหลักพระพุทธศาสนาเมื่อเรามีปัญหาต่างๆเข้ามา เราควรพิจารณาอย่างไรครับก็แก้ปัญหาไปตามกําลังความสามารถของเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ก็ปล่อยวางไปตามความเป็นจริงไม่ได้ปล่อยวางหวว่าไม่สนใจไม่อะไรเลยม่นยังเป็นจะต้องมีภาระหน้าที่ต้องแก้ปัญหาก็แก้ไป แต่ก้าได้มากก้าได้น้อยก็ให้พอใจกับผลที่ได้เกิดเพราะทำได้เท่านั้นเรียกว่าปล่อยวางทางจิตใจจิตใจไม่เครียดไม่ทุกข์กับการแก้ปัญหาบางคนแก้ปัญหาแก้ไม่ได้ก็เครียดแก้ได้ครึ่งหนึ่งก็เครียดนี่อันนี้แสดงว่าไม่ปล่อยวางแก้ไปตามหน้าที่ตามความสามารถแก้ได้เท่าไหร่ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไป พรามันมีสิ่งที่เราทำได้และมีสิ่งที่เราทำไม่ได้เจ็บปัญหาร่างกายของเราเนี้บางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้อย่างตอนนี้อยากจะให้ลูกบอลใสก็ไม่ได้ฮะมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้มันเป็นตุ๊กตาเหมือนตอนที่มันน่ารักเนี่ยเดี๋ยวมันก็โตใหญ่แล้วมันก็เริ่มดือ้อเริ่มเก่งขึ้นมาเริ่มออกรวดลายขึ้นมาบอลใสมันได้ก็ดีบอลใสไม่ได้ก็ต้องยอม ให้มันเป็นไปปล่อยวางมันไปมันจะโตใหญ่ก็เรื่องของมันไปมันจะดื้อมันจะอะไรอวดเก่งอวดดีก็เรื่องของมันไปสอนมันได้ก็สอนไปสอนไม่ได้ก็เป็นเรื่องของมันเดี๋ยวมันก็รู้เองว่าดีไม่ดีอวดดีแล้วดีไหมอวดเก่งแล้วดีไหมเดี๋ยวก็รู้เองคำถามจากคุณนิยา อยากเจริญภาวนาที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรเจ้าคะ่ะต้องฝึกสติก่อนนะต้องหมั่นฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันหรือไม่เช่นนั้นก็คอยเฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่ให้ให้จิตอยู่กับร่างกายอยู่กับพุโทโธอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลามีเวลานั่งก็นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อแล้วดูลมหายใจต่อแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบ อย่าหยุดอย่าหยุดภาวนาอย่าหยุดดูลมจนกว่าจิตจะนิ่งสงบเหมือนขับรถอย่าพึ่งหลับให้รถจอดก่อนแล้วค่อยหลับไม่ใช่ง่วงนอนแลขับไปรถยังปล่อยให้รถวิ่งแล้วก็หลับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิอย่าอย่าเผลออย่าขาดพุทโธอย่าขาดสติถ้าขาดสติแล้วเดี๋ยวก่ดอุบัติเหตุทางจิตใจได้คาถามต่อไปจากผู้ฝากถามนะครับ การสวดมนต์อยู่ที่บ้านทุกวันที่ห้องพระและเปิดฟังธรรมะที่บ้านอย่างนี้ได้ไหม่เจ้าคะและได้บุญใหม่นายถามใหมเ่เลยไงถ้าหากว่าเราสวดมนต์อยู่ที่บ้านทุกวันที่ห้องพระและเปิดฟังธรรมะอยู่ที่บ้านแบบนี้จะได้บุญไหมค่ะเจ้าคะก็เลยว่ามันทําแบบมีสติและไม่มีสติทําแบบได้ผลหรือไม่ได้ผล ถ้าจิตสงบมันก็ได้ผลถ้าจิตไม่สงบมันก็ไม่ได้ผลคำถามจากข้างบนนี้นะครับการทรงฌานจะเกิดในขณะทำงานในชีวิตประจำวันได้ไหมครับหรือจะเกิดเฉพาะทำสมาธิเท่านั้นครับต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวถึงจะเข้าฌานได้หมดแล้วเหรอ อย่างนี้นก็ดีไม่ต้องไปบวชกันนะทํางานไปก็เข้าฌานไปด้วยมีใครทํางานแล้วเข้าฌานได้บ้างไหมไม่เคยมีข่าวออกมามีแต่พวกฤาษีชีไฟต้องไปอยู่ในถ้าในป่าในเขาไกลๆไม่วุ่นวายกับใคระถึงจะเข้าฌานได้ถ้าไม่มีคําถามก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ